อุปมาด้วยแพรพิสุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมซึ่งอุปมาด้วยแพรแก่เธอทั้งหลายเพื่อการสลัดออกมิใช่เพื่อการยึดถือแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิสุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพิสุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบพ่วงน้าใหญ่ ฝั่งนี้หน้าระแวงมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งโน้นกระเสมไม่มีภัยเฉพาะหน้าเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปฝั่งโน้นไม่มีเขาจะพึงคิดอย่างนี้ว่าห่วงน้ำนี้ใหญ่นักฝั่งนี้หน้าระแวงมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งโน้นกระเสมไม่มีภัยเฉพาะหน้ า, น он, ร เ, า, นาเรือหรือสะพานสาหรับข้ามไปฝั่งโน้นไม่มีทางที่ดีเราควรรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้ หรือใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำก็จะข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีต่อมาเขารวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพรแล้วอาศัยแพรนั้นใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีเขาข้ามฝั่งได้แล้วจะเพิ่มมีความคิดอย่างนี้ว่าแพรนี้มีประโยชน์แก่เรามากนะัก เราอาศัยแพรนี้ใช้มือและเท้าพุ้ยน้าข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแพรนี้ขึ้นเทินศีรษะหรือยกขึ้นบาแบกไปตามความปรารถนาเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อ น, นั้นว่ายอย่างไรบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพนั้นถูกต้องหรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้อนั้นชื่อว่าทำไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นทําอย่างไรจึงจะชื่อว่าทําหน้าที่ในแพรนั้นถูกต้องในข้อนี้บุรุษนั้นข้ามฝั่งแล้วจะพึงคิดอย่างนี้ว่าแพรนี้มีประโยชน์แก่เรามากนักเราอาศัยแพนี้ใช้มือและเท้าพุ้ยน้ําข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีทางที่ดี เราควรยกแผ่นี้ขึ้นวางไว้บนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วไปตามความปรารถนาบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จึงจะชื่อว่าทำหน้าที่ในแผนนั้นถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเราก็ฉันนั้นเหมือนกันแสดงธรรมมีอุปมาด้วยแผ่เพื่อต้องการสลัดออกมิใช่เพื่อต้องการจะยึดถือแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรม ซึ่งเปรียบดุดแพที่เราแสดงแล้วควรละแม้ทำทั้งหลายไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงอธรรมเลยความเห็นของปุถุชนและอริยสาวกภิกษุทั้งหลายทิ่ติตะฐาน6ประการนี้ ทิฏฐิฐานหประการอะไรบ้างคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของพระอริยะไม่พบสัตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคําแนะนําในธรรมของสัตบุรุษหนึ่งจึงพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 2. จึงพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราสาจึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราสจึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหาจึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้ว อารมณ์ที่ทราบแล้วทำอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่โครนแล้วด้วยใจว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเรา 6. จึงพิจารณาเห็นทิฏฐิฐานที่เป็นไปว่านั้นโลกนั้นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจากดำรง อยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นแล ว, ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราส่วนอริยสาวกผู้ได้สะดับแล้วได้พบพระอริยทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคาแนะนำดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษหนึ่งจึงพิจารณาเห็นรูปว่า นั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 2. จึงพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราสจึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 4. จึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเราหจึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วอารมณ์ที่ทราบแล้วธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วสแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา 6. จึงพิจารณาทิฏฐิฐานที่เป็นไปว่านั้นโลกนั้นอัตตา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 เราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกและเหี่ยใจพี่ไร่รำพันร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าค่ะพึงมีได้ภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่า เราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละเหี่ยใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สือกสะอื่นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อไม่มีสิ่งภายในความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระพุทธเจ้าข่าพึงมีได้ภิกษุ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 ความยึดมั่นและอนุัยกิเลสทั้งปวงเพื่อรั ง, งับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อความสิ้นตันหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพานเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเราจากขาดศูญย์แน่แท้จากพินาศแน่แท้จากไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกละเหียใจพิไรรำพันร้องไห้สอือกสะอื่นถึงความมืดมน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 เพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขาไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจากขาดูญแน่แท้จากพินาศแน่แท้จากไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละเอียใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สือึกสือื่นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลาย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 ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดํารงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเธอทั้งหลายจะพึงเข้าไปยึดถืออัตวาทุปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โศกะความเศร้าโศก บริเทวะความครื่มครวญทุกข์ความทุกกายโทมนัสความทุกใจและอุปายาตความคับแค้นใจจะไม่พึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายเห็นอัตวาทุ ป, ปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะบริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตจะไม่พึงเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เห็นพระพุทธเจ้าข่าดีละ ถึงเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นอัตวาทุปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาจะไม่พึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายจะพึงอาศัยทิฏฐินิสัย <S <S <ult ans> ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอ <hire> ยู่โสกะปริเทวะ <Arc. S 2> ทุ ก, oh ทกโทมนัสและอุปาญาจะไม่พึงเกิดขึ้นเธอทั้งหลายเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่โสกะปริเทวะ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 นั่นเป็นอัตราของเราภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามเธอทั้งหลายควรเห็นรูปทั้งปวงตามความเป็นจริง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 ภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วบ้างเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วบ้างเป็นผู้ถอนเสารเนียดได้แล้วบ้างเป็นผู้ไม่มีบานประตูบ้างเป็นผู้ประเสริฐลดทงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยคกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วบ้างภิกษุเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วเป็นอย่างไร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 เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ถอนเสารเนียดได้แล้วเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้และโอรัมภาคียะสังโยชน์หประการได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคลเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคลไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูเป็นอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้ประเสริฐลดทงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้และอสมิมานะการถือตัวได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทาให้ไม่มี เบิรขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ประเสริฐลดทงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์แล้วเป็นอย่างนี้การไม่ยึดถือภิกษุทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พรหมและมารส่อหาภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมไม่พบว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยสิ่งนี้ข้อนั้นเพราะเหตุใรเพราะเรากล่าวว่าในปัจจุบันใครๆจะไม่พึงพบตถาคตสมณพราหมณ์พวกหนึ่งกล่าวตัวเราผู้กล่าวอย่างนี้ผู้บอกอย่างนี้ด้วยคําเท็จซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่า พระสมณะโคดมเป็นผู้กำจัดย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีพบของสัตว์ผู้มีอยู่ถึงเราจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ตามสมณะพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังกล่าวตูเราด้วยคำเทจซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้กำจัดย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีพบของสัตว์ผู้มีอยู่ทั้งในการก่อนและในการบัดนี้ เราบัญญัติทุก์และความดับทุกข์ถ้าบุคคลเหล่าอื่นดา่าบริพาสเกลียวกราดเบียดเบียนและกระทบกระทั่งตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสประการนั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่เสียใจไม่มีจิตคิดร้ายเพราะการด่าเป็นต้นนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นสักกะระเคารพนับถือและบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสประการนั้น ตถาคตก็ไม่มีความยินดีไม่เสียใจไม่มีความลำพองใจเพราะสักการะเป็นต้นนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นสักการะเคารพนับถือและบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตมีความดํ่ริอย่างนี้เพราะสักการะเป็นต้นนั้นว่าบุคคลกระทําสักการะเห็นปานนี้ในขันธะปัญจกะขันห้าที่เรากําหนดรู้แล้วในการก่อน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 ไม่ควรทำความลำพองใจเพราะสักการะเป็นต้นนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงสักการะเคารพนับถือและบูชาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรคิดอย่างนี้เพราะสักการะเป็นต้นนั้นว่าบุคคลกระทาสักการะเห็นปานนี้ในขันธปัญจกะที่เราทั้งหลายกำหนดรู้แล้วในการก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลาย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 จกมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานวิญญาณไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละวิญญาณ น, นั้นวิญญาณ น, นั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรชนจะพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในพระเชตวันนี้ไปเผาหรือกระทตาตามความปรารถนา เธอทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าชนนำเราทั้งหลายไปเผาหรือกระทำตามความปรารถนาไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่านั่นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าค่าอย่างนั้นนั่นแลภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นสิ่งนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้ว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 จกมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานลำดับพระอริยบุคคลภิกษุทั้งหลายในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีนาศบอยู่จบโพรมจาจันแล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสองโยน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดละโอรัมพากิยะสังโยตหประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีกในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยตสประการได้แล้วมีราคะโทสะและโมหะเบาบาง ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นจกทําที่สุดแห่งทุกได้ในธรรมที่เราเกล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงินปมแล้วภิกษุเหล่าใดละสังโยษสานประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ํามีความแน่นอนที่จะสําเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลาย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 ได้เปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้าไปหาท่านพระกุมารกัสปะถึงที่อยู่แล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระกุมารกัสปะว่าพระคุณเจ้าจอมปลูกนี้ย่อมพ่นควันในเวลากลางคืนย่อมลุกโผลงในเวลากลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงนำศาสตราไปขุดดูสุมเมธใช้ศาสตราไปขุดก็ได้เห็นลิ่มสลัก จึงกล่าวว่าลิมสลักขอรับพร่มกล่าวอย่างนี้ว่าซุเมธเธอจงยกลิมสลักขึ้นแล้วใช้ศัตราขุดต่อไปซุเมธใช้ศัตราขุดลงไปก็ได้เห็นอิ่งจึงกล่าวว่าอิ่งขอรับพร่ำกล่าวอย่างนี้ว่าซุเมธเธอจงนำาอื่งขึ้นมาแล้วใช้ศัตราขุดต่อไปซุเมธใช้ศัตราขุดต่อไปได้เห็นทางสองแพร่ง จึงกล่าวว่าทางสองแพร่งขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงถากทางสองแพร่งออกเสียแล้วใช้ศัตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัตราขุดต่อไปได้เห็นหม้อกรองน้ําด่างจึงกล่าวว่าหม้อกรองน้ําด่างขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกหม้อกรองน้ําด่างขึ้นมาแล้วใช้ศัตราขุดต่อไป สุเมธใช้ศัตราขุดต่อไปได้เห็นเต่าจึงกล่าวว่าเต่าขอรับพรา่์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงนําเต่าขึ้นมาแล้วใช้ศัตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัตราขุดต่อไปได้เห็นเขียงหั่นเนื้อจึงกล่าวว่าเขียงหั่นเนื้อขอรับพรา่์กล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงยกเขียงหั่นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้ศัตราขุดต่อไป สุเมธใช้ศัตราขุดต่อไปได้เห็นชิ้นเนื้อจึงกล่าวว่าชิ้นเนื้อขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุเมธเธอจงหยิบชิ้นเนื้อขึ้นมาแล้วใช้ศัตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัตราขุดต่อไปได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาาขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่านาาจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาา เ, เลยจงทำความนอบน้อมนาค พระคุณเจ้าท่านควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาทั้ง15ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเถิดในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ยกเว้นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือบุคคลผู้ฟังจากสำนักข อ, ของข้าพเจ้านี้เสียแล้ว ข้าพเจ้ายังไม่เห็นบุคคลผู้จะทำจิตของข้าพเจ้าให้ยินดีด้วยการต่อปัญหาเหล่านี้ได้เทวดานั้นได้กล่าวคำนี้แล้วก็อันตรธานไปจากที่นั้นพระกุมารากัปะทูลถามปริศนาธรรม ครั้นคืนนั้นผ่านไปท่านพระกุมารกัสปะก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วป่าอันธวันเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่ยืนณที่สมควรแล้วได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่า พระคุณเจ้าจอมปลูกนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลุกโพลงในเวลากลางวันพรามได้กล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงนำศัตราไปขุดดูสุมเมธใช้ศัตราขุดลงไปได้เห็นลิ่มสลักจึงกล่าวว่าลิ่มสลักขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่าสุมเมธเธอจงยกลิ่มสลักขึ้นแล้วใช้ศัร ต, มม ต, รตราขุดต่อไปสุเมธใช้ศัตราขุดต่อไปก็ได้เห็นอิง จึงกล่าวว่าอึ่งขอรับละถึงได้เห็นนาคจึงกล่าวว่านาคขอรับพรามกล่าวอย่างนี้ว่านาคจงดำรงอยู่เถิดเธออย่าเบียดเบียนนาคเลยจงทำความนอบน้อมนาคพระคุณเจ้าท่านควรเข้าไปฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามปัญหาทั้งส5ข้อนี้ท่านควรทรงจำคำเฉลยปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบเถิด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 ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญ 1. อะไรหนอชื่อว่าจอมปลวก 2. อย่างไรชื่อว่าการพ่นควันในเวลากลางคืน 3. อย่างไรชื่อว่าการลุกโผลงในเวลากลางวัน 4. ใครชื่อว่าพรามห้าใครชื่อว่าสุเมศหกอะไรชื่อว่าศิสตรา 7. อย่างไรชื่อว่าการขุด แอะไรชื่อว่าลิ่มสลัก9อะไรชื่อว่าอึง่ง10อะไรชื่อว่าทางสองแพร่งสิออะไรชื่อว่าหม้อกรองน้ําด่างสิองอะไรชื่อว่าเตา่า13อะไรชื่อว่าเขียงหั่นเนื้อ14อะไรชื่อว่าชิ้นเนื้อสิหอะไรชื่อว่าหน้า